ผู้ที่ตายในสงครามจะไปนรกหรือไปสวรรค์ที่อาจารย์ อยากทราบว่าคนที่ตายในสงครามใน คนที่ตายในสงครามโดยพวกและพวก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 ถึงเขาได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วคนเหล่านี้ก็จะไม่ยอมเชื่อมีไปจนกว่าเขาจะรู้สึกตัวบางคนมาอธิบายให้ก็ หรือจะให้ไปอยู่ในภูมิไหน เพื่อจะแก้ความสงสัยข้อนี้จะแก้ 14 หน้า 389 มาให้ท่านเห็นดังต่อไปนี้ให้พระสูตรที่แสดงว่าเห็นดัง ก็ไม่ใช่จะบุคคล 4 1 บุคคลค่าสัตว์คนในโลกนี้ฆ่า ย่อมเข้าอบายทุกขติวินิบาตนรก 2 แต่บุคคลบางคนในโลกแต 3 บุคคลบาง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 เขาได้กระทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สำหรับบุคคลที่เว้นจัดการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่อนรก เขาได้กระทําบาปกรรมอันเป็นที่ตั้ง Υπότιτλοι Authorwave, Υπότιτλοι Authorwave, Υπότιτλοι Authorwave, เป็นคนอีกคนเรื่อง Κοντά με